บทที่สองอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอาวิชชาคืออะไรพระพุทธองค์ตรัสว่าอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสีได้แก่ความจริงเกี่ยวกับทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กราวอีกในหนึ่งว่าอาวิชชามีสองประการคือ ความไม่รู้ตามความเป็นจริงอปติปติอวิชชาและความเห็นที่ผิดไปจากความจริงซึ่งทำให้เราสัมพันธ์ผิดว่าภาพลวงตาเป็นความจริงมิชชาปติปปติอวิชชาด้วยเหตุนั้นอวิชชาจึงไม่ใช่ความโง่เขลาทั่วไปเช่นการไม่รู้จักชื่อคน หรือชื่อของหมู่บ้านเพราะไม่เนื่องด้วยความหลงผิดแต่หมายถึงความเข้าใจผิดเหมือนความเข้าใจว่าสีดำเป็นสีขาวหรือเหมือนคนที่หลงทางเข้าใจว่าทิศใต้เป็นทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเป็นทิศตะวันตกคนที่ไม่รู้จริงเกี่ยวกับทุกข์ก็จะมองโลกมองชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เห็นชีวิตที่เต็มไปด้วยทุกข์ว่าเป็นความสุขคนเรานั้นไม่อาจแสวงหาความจริงเกี่ยวกับทุกข์ได้ด้วยการศึกษาจากตำราแต่จะพบได้ภายในร่างกายที่ยาววานาคืบกว้างสอกของเราเองซึ่งปรากฏในสภาวะธรรมการเห็นการได้ยินเป็นต้นเช่นสภาวะเห็นดวงตาที่เห็นรูป สภาวะได้ยินหูที่ได้ยินเสียงสภาวะรู้กลิ่นจมูกที่ดมกลิ่นสภาวะรู้รสลิ้นที่ลิ้มรสสภาวะกระทบสัมผัสร่างกายที่สัมผัสได้ความนึกคิดเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงอากับกิริยาทางกายต่างๆที่เป็นการเยียดคู และเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่างๆซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือรูปนามที่เกิดขึ้นทางอายตนะทั้งหกของเรานั่นเองสภาวธรรมเหล่านี้แท้จริงเป็นสภาพที่ไม่ยั่งยืนไม่น่าปรารถนาะไม่น่ารื่นรมเพราะอาจสิ้นสุดลงได้ทุกขณะจึงจัดเป็นทุกข์คือสภาพที่ไร้แก่นสารอันน่ารังเกียจ สำหรับสัตว์โลกที่เห็นว่าชีวิตของตนเป็นสุขหน้าเพลิดเพลินยินดีก็จะไม่เล็งเห็นถึงความจริงนี้จึงพยายามที่จะสแสวงหาอารมณ์ที่หน้าเพลิดเพลินต่อไปเช่นรูปสวยเสียงไพเราะอาหารอร่อยเป็นต้นด้วยเชื่อว่าจะอำนวยความสุขให้ชีวิตเพราะถูกอวิชชาปิดบังไว้ไม่ให้เห็นความจริง อาวิชาเปรียบเหมือนแว่นตาสีเขียวที่ใสให้มา้าเพื่อจะให้กินหญ้าแห้งเพราะจะเห็นหญ้าแห้งเป็นหญ้าสีเขียวสดเหล่าสัตว์โลกตั้งหลายที่จมอยู่ในกามคุณก็เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งนี้เพราะถูกอวิชาปิดบังลักษณะที่แท้จริงของอารมณ์และรูปนามไว้สมมุติว่า คนเอาสโรงเนื้อหยาบมาหลอกขายให้ชายตาบอดโดยบอกว่าเป็นสรงเนื้อประณีตราคาแพงชายตาบอดก็หลงเชื่อและชอบสรงผืนนั่นมากแต่หากเมื่อไรเขากลับมีสายตาดีและเห็นสโตร์จริงก็จะไม่หลงเชื่ออีกต่อไปและจะโยนทิ้งทันทีฉันใดก็ฉันนั้น ผู้ที่ถูกอาวิชาหลอกให้หลงผิดก็จะเพลิดเพลินกับชีวิตตนเองเพราะไม่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาแต่เมื่อใดก็ตามที่เห็นความจริงของรูปนามด้วยวิปัสสนาก็จะทราบว่าชีวิตเป็นสภาพที่ไม่น่าพอใจและจะคลายความเพลิดเพลินยินดีในชีวิตลง ตั้งใจกำหนดรู้รูปนามที่อยู่ภายในกายของเราหรือเรียกชื่อว่าวิปัสนาภาวนานี้ไม่เกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการศึกษาในตำราหากแต่หมายถึงการกำหนดรู้อย่างจดจ่อและต่อเนื่องกับสภาวธรรมทางกายและทางจิตซึ่งประกอบด้วยอารมณ์ที่ถูกรู้และจิตที่รู้อารมณ์นั้นๆ การเจริญวิปัสสนาก็ย่อมสมผลให้เกิดความรู้แจ้งในธรรมชาติของรูปและนามกล่าวคือเมื่อสมาธิได้รับการพัฒนาให้มีกำลังมากพอสมควรแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจะรับรู้ถึงการเกิดขึ้นและการดับไปอย่างรวดเร็วของรูปและนามการรู้เห็นเช่นนี้ ก่อให้เกิดวิปัสนาปัญญาที่ยังเห็นความเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาของสภาวธรรมทั้งปวงอวิชาปิดบังไม่ให้คนเราเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงเพราะเราขาดสติที่กำหนดรู้การขาดสติทำให้เราสำคัญผิดว่ามีบุรุษสตรี มือขาเป็นต้นตามที่ชาวโลกสมมุติกันขึ้นเราไม่รู้ว่าการเห็นเป็นต้นนั้นเป็นเพียงกระบวนการที่ประกอบด้วยรูปและนามหรือกายและจิตเท่านั้นและเป็นสภาวะธรรมที่มีการเกิดขึ้นและดับไปอยู่เสมออันเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีแก่นสาร ผู้ที่ไม่เคยเจริญภาวนาจะไม่สามารถรู้เรื่องรูปนามมีเพียงผู้ที่เจริญสติด้วยวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นจึงจะรู้สภาวัธรรมของรูปนามตามความเป็นจริงถึงกระนั้นก็ตามวิปัสสนาปัญญาก็ยังไม่ปรากฏในเบื้องแรกของการปฏิบัติเนื่องจากสมาธิยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีกำลัง ผู้ปฏิบัติธรรมจึงยังรับรู้สมมุติบัญญัติตามที่เคยชินมาเพราะไม่เห็นสภาวะธรรมของรูปนามอย่างชัดเจนต่อเมื่อได้จเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องจนสติและสมาธิพัฒนาขึ้นจนมีกำลังแล้วจึงจะส่งผลให้เกิดวิปัสสนาปัญญาต่อมาในขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมกำลังจเจริญสติอยู่ หากรู้สึกคันเขาก็จะรับรู้เฉพาะความคันนั้นจะไม่คิดถึงมือหรือขาหรือร่างกายส่วนที่คันหรือคิดว่าเป็นตัวเขาที่ถูกรู้สึกคันแต่จะรับรู้เพียงความรู้สึกคันที่เกิดขึ้นและกำหนดรู้ความคันนั้นความคันก็จะดับไปไม่คงทนอยู่ถาวร การกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายและทางจิตที่ปรากฏขึ้นอย่างจดจอ่อเท่าทันปัจจุบันขณะนี้จะป้องกันความหลงผิดว่ามีมือมีขาเป็นต้นซึ่งไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงธาตุสีที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่มทำให้สำคัญผิดว่ามีจริง เปรียบเหมือนเงานกที่บินไปในน้ำมีเพียงเงาปรากฏขึ้นเท่านั้นไม่มีตัวนกอยู่จริงจริงผู้ที่ขาดสติ ก, กำหนดรู้จะถูกครอบงำด้วยความหลงผิดทำให้มองไม่เห็นความไม่น่าพึงพอใจของอารมณ์ทั้งปวงทำให้เห็นทุกข์ว่าเป็นความสุขดังนั้นอวิชชาจึงหมายถึงความไม่รู้ตามความเป็นจริง และหมายถึงความเห็นที่ผิดไปจากความเป็นจริงอีกด้วยเมื่อบุคคลไม่เห็นทุกตามความเป็นจริงก็ยังจะขวนขวายแสวงหาอารมณ์ที่น่าปรารถนาพอใจดังนั้นอวิชชาจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดความพยายามในการกระทําต่างๆในพระบาลีตรัสไว้ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารแต่ ยังมีลูกโซ่อีกสองห่วงคือตัณหาและอุปทานที่เชื่อมระหว่างอาวิชชาและสังขารอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดความทยานอยากคือตัณหาซึ่งจะพัฒนาตัวต่อมาเป็นความยึดติดผูกพันอุปทานตัณหาและอุปทานมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาจะได้รับความสุข ซึ่งข้อนี้ระบุไว้ชัดเจนในตอนกลางของหลักปฏิจจสมุปบาทดังนั้นจึงกล่าวว่าอดีตเหตุหรืออวิชชาตัญหาอุปทานกรรมและสังขารความไม่รู้เหตุของทุกข์ บุคคลทั้งหลายที่ไม่รู้ว่าตัณหาเป็นต้นเหตุของทุกข์ตรงกันข้ามพวกเขากลับเชื่อว่าความผูกพันเป็นความสุขหากไม่มีความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งชีวิตก็จะเหลือเพียงแต่ความแห้งแล้งดังนั้นพวกเขาจึงขวนขวายสแสวงหาอารมณ์ที่น่าปรารถนาตลอดจนถึงวัตถุ ก, การมต่างๆเช่นอาหารเสื้อผ้า เพื่อนฝูงเป็นต้นหากปราศจากสิ่งที่ผูกพันเหล่านี้ก็จะรู้สึกไม่สบอารมณ์และรู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่น่าจำเจชีวิตที่ปราศจากความยึดติดผูกพันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมสำหรับคนทั่วไปเพราะตัณหาปิดบังความน่าพึงพอใจของชีวิตไว้และทำให้เห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่น่ารื่นรม แต่สำหรับพระอรหันต์ที่ดับตัณหาแล้วชีวิตไม่ใช่สิ่งที่น่าเพลิดเพลินเพราะท่านมีความมุ่ง ม, มั่นในพระนิพพานซึ่งเป็นความดับของสังขารทุกข์ทุกข์คือสังขารอันได้แก่รูปนามตัณหาไม่อาจครอบงำผู้ปฏิบททัติธรรมที่กำลังเจริญวิปัสสนาภาวนาอย่างจดจอ่อ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติธรรมบางคนรื่นรมกับชีวิตน้อยลงเมื่อออกกรรมฐานแล้วกลับไปอยู่บ้านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตครอบครัวทำให้บุคคลรอบข้างเข้าใจว่าเขากลายเป็นคนเย่อหยิ่งแต่ความจริงแล้วพฤติกรรมเช่นนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสนใจในโลกียวิสัยที่ลดน้อยลงอย่างไรก็ตาม หากยังไม่สามารถละทิ้งความปรารถนาในกามคุณอารมณ์ได้อย่างแท้จริงความเบื่อหน่ายเช่นนี้จะเป็นไปเพียงชั่วคราวและจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตครอบครัวได้ในภายหลังสมาชิกในครอบครัวจึงไม่ต้องกังวลให้มากจนเกินไปเพราะเขาจะไม่สามารถละทิ้งความเพลิดเพลินในชีวิตครอบครัวได้ง่ายๆดังนั้น ผู้ปฏิบัติจึงควรสำรวจตนเองว่ามีความเบื่อหน่ายในชีวิตทางโลกจริงหรือไม่เพราะถ้าหากยังมีความพึงพอใจในกรรมคุณอารมณ์ต่างๆก็หมายความว่าเขายังอยู่ในอำนาจของตัญหาหากปราศจากตัญหาเราจะรู้สึกไม่มีความสุขตัญหาที่มีอวิชชาเป็นเพื่อนคอยสนับสนุนจะทำให้เราไม่เห็นทุกข์ และหลงผิดว่าเป็นความสุขจึงยังดิ้นรนสแสวงหาสิ่งซึ่งนำความเรื่นรมมาให้เช่นการดูหนังดูละครแม้จะทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่ตัณหาทำให้เห็นเป็นความสนุกสนานสำหรับผู้ที่ไม่มีความอยากก็จะเห็นว่าเป็นที่มาของความทุกข์ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการสูบบุหรี่ คนติดบุหรีจะมีความสุขที่ได้หายใจสูดเอาควันบุหรีเข้าปอดแต่สำหรับผู้ที่ไม่สูบจะเห็นว่าเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวคนที่ไม่สูบบุหรีก็จะไม่ทุกข์ร้อนกับปัญหาต่างๆที่ตามมาจึงมีชีวิตสุขสบายไร้กังวลเพราะไม่มีความอยากสูบบุหรีตัณหาก็เป็นเหตุของทุกข์ในกรณีของคนที่ชอบเคี้ยวหมาก เช่นเดียวกันเพราะการกินหมาก็เป็นนิสัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอยู่ไม่น้อยคนที่ขวนขวายเพื่อสนองความทยานอยากของตันหาก็เช่นเดียวกับคนที่ติดบุหรี่หรือติดหมากความขวนขวายด้วยอำนาจของตันหาจึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดใหม่ที่นำไปสู่ความแก่และความตาย ความทุกข์ซึ่งเกิดจากความทยานอยากนี้มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่คนเรามักไม่ค่อยเห็นความจริงข้อนี้เพราะเป็นสิ่งลึกซึ้งไม่สามารถเห็นได้ด้วยการใคร่กรวนแต่จะรู้ได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาเท่านั้นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามในปัจจุบันจึงเกิดความเข้าใจว่าทุก และสมุทรไทยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนแล้วเขาจะคลายความพอใจในทุกข์และสมุทรไทยไปเองข้อนี้เสมือนการสมาคมกับบุคคลหลอกลวงแม้ตอนแรกจะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนดีต่อมาเมื่อทราบพฤติกรรมแล้วก็จะเบื่อหนายไม่อยากคบหากับคนผู้นั้นอีก ความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ที่สและสอวิชายังหมายความถึงความไม่รู้ในความดับทุกข์และทางแห่งความดับทุกข์อีกด้วยความจริงทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึง้งยากแก่การเข้าใจเช่นกันเพราะความจริงที่เป็นความทุกข์นิโรธาติหมายถึงพระนิพพาน ซึ่งจะเห็นประจักษ์แจ้งได้ด้วยมรรคยานเท่านั้นและทางแห่งความดับทุกข์มรรคสัตย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นสิ่งที่รู้แจ้งแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุมรรคยาแล้วเท่านั้นดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่บุคคลจํานวนมากยังไม่รู้ความจริงสองอย่างนี้ ด้วยเหตุที่ไม่รู้ความจริงที่เป็นความดับทุกข์ศาสนาต่างๆในโลกจึงพยายามอธิบายจุดหมายสูงสุดนี้ต่างกันออกไปบ้างกล่าวว่าความทุกข์จะสิ้นสุดไปเองเมื่อถึงเวลาอันสมควรบ้างก็กล่าวว่าความสุขในกรรมคุณเป็นจุดหมายที่สูงสุดและไม่ยอมรับการเวียนว่ายตายเกิด ความเชื่อถือที่ผิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากความไม่รู้จริงเกี่ยวกับพระนิพพานแม้กระทั่งในหมู่พุทธศาสนิกชนเองก็ตามผู้ที่เชื่อว่าพระนิพพานเป็นสถานที่แห่งหนึ่งบนสวงสวรรค์ก็มีเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากเพียงใด ความจริงแล้วพระนิพพานนี้เป็นความดับสนิทของกระแส ร, รูปนามทั้งหมดรูปนามทั้งหมดที่มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทระบุว่าอาวิชชาและสังขารเป็นต้นเป็นปัใจจัยให้เกิดรูปนามเป็นต้นเรื่อยไปจนถึงชารามรณะและความทุกข์อื่นๆในชีวิต ถ้าอาวิชชาและตัณหาเป็นต้นถูกดับไปเนื่องจากอานาจของมรรคยานความทุกข์ที่มีอวิชชาและตัณหาเป็นปัจจัยก็จะถูกดับไปด้วยที่กล่าวมานี้หมายถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าพระนิพพานนั่นเองอุปมาเหมือนตะเกียงน้ำมัน หากมีการเติมน้ำมันอยู่เสมอตะเกียงก็จะยังสว่างอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เมื่อขาดการเติมน้ำมันไฟก็จะดับลงเมื่อน้ำมันหมดผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุพระนิพพานสามารถดับอวิชาเป็นต้นด้วยมรรคยานก็เช่นกันเมื่อปัจจัยของการเกิดใหม่ที่มีอวิชาเป็นต้นนั้นถูกดับไป การเกิดใหม่นั้นก็จะไม่มีอีกจึงเป็นการดับกองทุกข์อย่างสิ้นเชิงผู้ปฏิบัติธรรมพึงเข้าใจและชื่นชมคุณค่าของพระนิพพานเสียก่อนจึงจะสามารถบรรลุถึงได้ผู้ที่มีความผูกพันทยานอยากในชีวิตอย่างมากจะไม่เห็นว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจ แต่จะรู้สึกว่าการดับของกระแสรูรปนามคือการตายชัวย่วนิรันดรผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องยอมรับด้วยปัญญาว่าพระนิพพานเป็นสิ่งประเสริฐเลิศหน้าปรารถนาเสียก่อนจึงจะสามารถทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดนี้ได้ ความรู้อริยสัจ4ี่คือมรรคสัต์หรือความจริงเกี่ยวกับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งผู้ที่จะสามารถประกาศความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องได้นั้นมีเพียงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นไม่มีผู้อื่นจะกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมหรือมนุษย์ แต่กระนั้นก็ยังมีผู้ที่พยายามคาดเดาคิดคน้นและสั่งสอนวิธีปฏิบัติต่างๆเพื่อดับทุกข์บ้างสอนให้บำเพ็ญคุณธรรมขั้นพื้นฐานเช่นให้มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีขันติและให้ทานเป็นต้นบ้างก็สอนให้เจริญโลกีญาณ ซึ่งการปฏิบัติที่กล่าวมานี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามน่าชมเชยส่งผลให้ได้รับความสุขในเทวโลกและพรหมโลกแต่ไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ที่มีความแก่และความตายเป็นต้นได้ดังนั้นจึงไม่จัดเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องและจะนำไปสู่พระนิพพานได้ เพียงแต่มีส่วนช่วยให้การปฏิบัติเป็นไปได้โดยสะดวกเท่านั้นบางลัท ธ, ธิสอนให้ทรมานตนเองด้วยวิธีต่างๆเช่นอดอาหารเปลือยกายเป็นต้นบางลัท ธ, ธิสอนให้บูชาเทวดาหรือสัตว์บางลัท ธ, ธิสอนให้ประพฤติเยี่ยงสัตว์เช่นโครหรือสุนักเป็นต้นในทัศนคของพระพุทธศาสนา ความประพฤติดังกล่าวนั้นทั้งหมดเรียกชื่อว่าศีลปตะปรามาตซึ่งหมายถึงการปฏิบัติใดๆก็ตามที่มิใช่มักมีองแปดอันเป็นทางดับทุกข์ที่แท้จริงอริยมักมีองแปดประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. ส, สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ 3. สัมมาวาจาการกล่าวชอบ 4. สัมมากัมมันตการกระทำชอบ 5. สัมมาอาชิวะการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ 7. สัมมาสติการระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบ อั น, นทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นสามารถจำแนกเป็นสามประเภทคือ 1. มูลมักทางปฏิบัติขั้นต้นคือศีลและสัมมาทิฏฐิ 2. โบุรภา พ, พาคมักทางปฏิบัติขั้นกลางที่เกิดก่อโล ก, กุตระมักคือการปฏิบัติวิปัสนาที่ประกอบด้วยอริยมักมีองค์แปด 3. โลกุตระมักโลกุตรธรรมในพระพุทธศาสนานั้นคู่กับโลกุตรผลมีสีขั้นคือโสดาปติมักสกทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักโลกุตระมักนี้เป็นชื่อรวมของสัมมาทิฏฐิเป็นต้นทั้ง8ดอย่างคือเจตสิกทั้งแดดวง ไฟโล ก, กุตระที่เกิดร่วมกันในขณะเดียวกันในขณะที่บรรลุมักในบรรดามักสามประเภทนี้โล ก, กุตระมักมีความสำคัญมากที่สุดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ควรถือเป็นจุดประสงค์เบื้องต้นในการปฏิบัติและไม่จำเป็นจะต้องพยายามหรืออุทิศเวลาให้กับโล ก, กุตระมักให้มากนะัก ทั้งนี้เพราะการเจริญวิปัสนาในบูรภพภาคมักได้พัฒนาจนมีกำลังแก่กรากขึ้นก็จะส่งผลให้ปัญญาในระดับโล ก, กุตระมากเกิดขึ้นได้ในเวลาเพียงชั่วขณะจิตเดียวอุปมาเหมือนการจุดไฟด้วยการนำไม้สองท่อนมาขัดสีกันต้องใช้เวลา น, านานพอสมควรในการทำให้มีความร้อนมากพอ สำหรับจุดไฟแต่เมื่อความร้อนสูงมากพอแล้วไฟก็จะติดขึ้นเองในเวลาเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นในทํานองเดียวกันปัญญาในโลกุตระมักจะเกิดขึ้นได้ในทันทีทันใดหลังจากที่ได้เจริญวิปัสนาภาวนาในบุรา พ, พาพาคมมักมาแล้วเป็นเวลานาน สัมมาทิฏฐิและองค์มรรคอื่นๆวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่เกิดในทุกขณะที่มีการกำหนดรู้ผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้รูปนามทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในร่างกายตนจะสามารถเข้าถึงใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของรูปนามดังนั้น เมื่อตั้งจิตกำหนดรู้การเหยียดคูเข้าของแขนและขาก็จะสังเกตเห็นสภาวะที่ผลักดันออกไปหรือผลักดันเข้ามาซึ่งเป็นสัมมาทิฐิที่เกี่ยวกับวายโยธาหากขาสติที่ระลึกรู้ก็จะสำคัญผิดว่านี้คือมือนี้คือบุรุษเป็นต้น ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติเท่านั้นจึงจะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้สมาธิเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆในร่างกายก็เช่นเดียวกันความรู้สึกร้อนเจ็บปวดตลอดจนอาการต่างๆของจิตเช่นการคิดการตั้งใจเป็นต้นเมื่อจิตมีสมาธิ และสงบจากนิวรผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้เห็นการเกิดขึ้นและดับไปของกระแสรูปนามต่อจากนั้นจะเกิดปัญญาอย่างเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้ของสภาวะเหล่านั้นการมีความเชื่อที่ถูกต้อง จะต้องเกิดจากความดาริที่ถูกต้องและองค์มากอื่นๆด้วยปัญญาในมรรคจะเกิดขึ้นในทุกขณะที่มีการกำหนดรู้เมื่อวิปัสสนาปัญญาแก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้เห็นสามั ญ, ญลักษณะทั้งสามของรูปนาม <c oughs> ก็กล่าวได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้เห็นพระนิพพานดังนั้น การเจริญวิปัสนาภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบรรลุพระนิพพานในชาตินี้ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่สามารถเจริญวิปัสนาได้ในขณะนี้ก็ควรจะพยายามเจริญมรลมัชซึ่งจัดเป็นมัชขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติวิปัสนาในภายหน้า โมลามักนี้หมายถึงการประกอบกุศลกรรมต่างๆโดยมีความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นแรงจูงใจกล่าวอีกในหนึ่งโมลามักก็หมายถึงการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นโดยมุ่งหวังการบรรลุพระนิพพานในอนาคตมักทั้งสคือโมลามักบุราพาภาคมัก และโลกุตระมักประกอบกันเป็นประดุตบันไดาสามขั้นที่นำไปสู่พระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องยอมรับในเบื้องต้นว่าโลกุตระมักเป็นธรรมที่ดีเลิศน่าปรารถนาพอใจการยอมรับอย่างนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติวิปัสนาที่ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด นอกจากนี้จะต้องยอมรับว่าวิปัสนามรรคเป็นธรรมอันประเสริฐและจะต้องเข้าใจกระบวนการวิธีการปฏิบัติวิปัสนาอย่างถูกต้องด้วยบางคนไม่รู้ทางปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานและยังเย้ยหยันการทำกุศลเพื่อการบรรลุพระนิพพานของผู้อื่นบางคนกล่าวลบลู่คำสอน และการปฏิบัติธรรมของผู้อื่นโดยที่ตนเองก็ไม่เคยได้ปฏิบัติวิปัสนาอย่างจริงจังบางคนกล่าวตำหนิวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะตนเองมีความเชื่อถือวิธีปฏิบัติที่ผิดบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาซึ่งเป็นทั้งความไม่รู้และเป็นทั้งความเข้าใจผิดในทางปฏิบัติซึ่ง เป็นทั้งความไม่รู้และเป็นทั้งความเข้าใจผิดในทางปฏิบัติที่ถูกต้องอวิชชาคือการไม่รู้ว่าทานศีลและภาวนาเป็นทางสู่พระนิพพานและเป็นอวิชชาอีกที่ทำให้คิดว่าทานศีลและภาวนาเป็นสิ่งที่ขัดต่อประโยชน์ของตนแต่อวิชชาที่มีโทษยิ่งก็คือความไม่รู้ ความเห็นผิดเกี่ยวกับวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องความไม่รู้ในทางปฏิบัติที่ถูกต้องคือสัมมามักจัดเป็นอวิชชาที่มีโทษหนักที่สุดเพราะทำให้ผู้ที่ถูกครอบงาด้วยอวิชชาชนิดนี้ไม่สามารถมองเห็นคุณของอากุศลกรรมและทำให้เกิดความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เหมือนถูกภาพลวงตาปิดบังความจริงไว้จึงขัดขวางบุคคลนั้นไม่ให้ได้รับความสุขทั้งในมนุษย์โลกและเทวโลกจะป่วยกล่าวไปยายถึงโล ก, กุตละมรักและนิพพานแต่ทว่าคนส่วนมากก็ยังจมอยู่กับอวิชชาและไม่ตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ทานรักษาศีล และการเจริญภาวนา